จากบ้านงานท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานอยู่ที่ชั้นบนของกุฏิครูใหญ่ใหญ่หนายสมชายก็ขึ้นไปรายงานว่าอาคันตุกะสี่คนมารอพบอยู่ที่กุฏิชั้นล่างไปตามพระมหาบุญกับพระบูเหียวมาฟังด้วย ท่านสั่งแล้วเขียนหนังสือต่อไปอีกพักหนึ่งรอให้พระโบเฮียวกับพระมหาบุญมาถึงเสียก่อนจึงค่อยลงสิบนาทีให้หลังนายสมชายก็เดินตามภิกษุสองรูปเข้ามาเห็นเจ้าของกุฏิยังไม่ลงมาจากชั้นบนจึงขึ้นไปตามอีกครั้งเมื่อท่านพระครูลงมา และนั่งบนอาสนะประจำของท่านแล้วภิกษุสองรูปกับครวาสสี่คนต่างทำความเคารพด้วยการกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งเจริญพรโยมมาจากไหนกันบ้างล่ะนี่ท่านถามคนที่นั่งหน้าสุดผมมาจากทิม่ครับโยมละ่ะคนที่นั่งถัดไปตอบว่า ผมมาจากภูเก็ตรครับถามอีกสองคนก็ได้ความว่ามาจากกาญจน บ, บุรีคนหนึ่งจากระยองคนหนึ่งแม้สี่คนมาจากสี่ทิศเลยแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้นัดมาเจอกันที่วัดนี่ไม่ได้นัดครับพวกเราเจอกันโดยบังเอิญตรงทางเลี้ยวเข้าวัด เป็นเรื่องแปลกครับหลวงพ่อถึงจะมาจากโคลาทิศแต่ก็บังเอิญมาเจอกันตรงทางเข้าวัดพอคนขับรถผมเลี้ยวจากสายเอเชียมาก็เจอรถเบน์อีกสามคันเลี้ยวตามมาเป็นเบนรุ่นเดียวกันซะด้วยและแต่ละคนก็มีคนขับขับมาให้นี่ถ้าเกิดสีเดียวกันทั้งสี่คันผมคงต้องเอาไปลงหนังสือพิมพ์แน่คนที่มาจากเชียงใหม่รายงาน อาตมาว่ามีเรื่องแปลกกว่านั้นอีกเชื่อไหมว่าโยมสี่คนเกิดวันเดือนปีตรงกันไม่เชื่อลองถามกันดูก็ได้จริงหรือครับหลวงพ่องั้นผมต้องพิสูจน์ละคนมาจากชิงใหม่พูดแล้วจึงหันหน้ามาถามคนที่มาจากภูเก็ตว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ส่วนผม 27มีนาเจหนึ่งทำไมวันเดียวกับผมเลยอีกสามคนร้องขึ้นพร้อมกันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบผู้เป็นสหาชาติถึงสี่คนในคราวเดียวกันคนทั้งสี่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้เกิดขึ้นพระมหาบุญกับพระบุยเหียวก็ไม่รู้แต่ท่านพระครูรู้ ว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมบุรุษ ท, ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่เหนือใต้ตะวันตกตะวันออกสี่คนนี้จะมาสร้างกรรมร่วมกันที่วัดป่ามะม่วงกรรมที่ร่วมกันสร้างนั้นเป็นกรรมดีนี่ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วเชิญทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อ ท่านพระครูเชื้อเชิญพลางหันไปสั่งนายสมชายให้นำอาคันตุกะทั้งสี่ไปที่โรงครัวพระมหาบุญกับพระบรูเหียวก็ลุกออกไปเพื่อฉันพัตหารเพนท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือต่ อ, อยังชั้นบนของกุติรอให้พระสองรูปกับครหัสสี่คนกลับมาอีกครั้งท่านจึงจะลง ที่โรงครัวมีอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้เพียงโต๊ะเดียวเนื่องจากเป็นช่วงออกพรรษาอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ากรรมฐานมีน้อยกว่าปกติแม่ครัวจึงจัดอาหารใส่ปิ่นโตไปส่งให้ถึงกุฏิที่พักจะได้ไม่ต้องเดินมาที่โรงครัวเชิญเลยค่ะคุณแม่ครัวผู้มีอัจาสายัยอเชิญ พลางกุลีกุจอตักข้าวใส่จานแจกบุรุษทั้งสี่นายสมชายช่วยยกน้ำมาบริการทานมากๆนะคะคุณหลวงพ่อท่านจะได้ดีใจแม่ครววัยห0สิบอกอาคันตุกะหล่อนยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับทุกคนด้วยความเต็มใจบุรุษทั้งสี่เกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดนับตั้งแต่ รถเลี้ยวเข้ามาในวัดมีความรู้สึกเหมือนดังได้กลับคืนสู่บ้านที่ตนจากไปนานแสนนานผมรู้สึกว่าวัดนี้มีอะไรแปลกๆนะครับคุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าบุรุษที่มาจากภูเก็ตเอ่ยขึ้นเขารู้สึกคุ้นเคยกับคนทั้งสามราวกับว่ารู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งจะเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกคนทั้งสาก็มีความรู้สึก อย่างเดียวกันบุรุษที่มาจากเชียงใหม่เสริมว่าผมยังนึกว่าฝันอยู่เลยนะครับนี่ไม่นึกว่าจะมาพบเรื่องมหัศจรรย์อย่างนี้บอกตามบอกตามตรงว่าผมไม่เคยเข้าวัดมาก่อนไม่เคยทำบุญไม่เคยศรัทธาพระก็พระสมัยนี้น่าศรัทธาเสียเมื่อไรประโยคหลังเขาพูดเสียงเบาเพราะเกรงแม่ครัวกับลูกศิษย์วัดจะได้ยิน ส่วนผมเป็นคนชอบทำบุญมาก่อนแต่พอมีเรื่องกับท่านเจ้าคุณก็เลยเลิกทาคนมาจากการจนะบุรีพูดเจ้าคุณอะไรครับคนมาจากระยองถามก็เจ้าคุณเข้าเอ่ยนามเจ้าคุณรูปหนึ่งที่กำลังเป็นที่เคารพศรัทธาของคนกรุงเทพมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักการเมืองหลายคนลุ้นแต่เป็นคนเด่นคนดัง แทบทั้งสิ้นเรื่องร้ายแรงมากหรือครับคุณถึงกับเลิกนับถือพระก็ไม่ร้ายแรงเท่าไรแต่มันก็เล่นเอาผมหมดศรัทธาไปเลยจะเล่าให้ฟังก็ได้คือพี่ชายผมเขาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านเวลาทำบุญก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านประจําวันหนึ่งเขาทำบุญวันเกิดนิมนต์ท่านไว้ล่งหน้าแล้วพอถึงวันงานก็ให้ผมไปรับ คือผมจะทำหน้าที่รับส่งท่านทุกครั้งที่นิมนต์มาบังเอิญวันนั้นพัญญาผมเอารถเบ้นไปร้านเสริมสวยผมก็เลยขับโตโยต้าของลูกสาวไปรับคุณเชื่อไหมท่านถือตะลปัดกับย่ามเดินตามผมมาถึงรถพอเห็นเป็นรถโตโยตา้าท่านถามว่าทำไมไม่เอาเบ้นมารับผมก็บอกเหตุผลท่านไปท่านก็ยืนลังเลไม่ยอมขึ้นรถเสร็จแล้วก็บอกผมว่ารอเดี๋ยวนะ แล้วก็หายเข้ากุฏิไปประเดี๋ยวหนึ่งก็ส่งพระอีกรูปมาแทนพี่ชายผมโกรธมากพระลูกนั้นเล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณท่านเจ้ายศเจ้าย่างใครไม่เอารถเบนซ์มารับท่านก็ไม่ไปพระในวัดรู้กันดีว่าท่านติดในลาบสการะมากหากไม่มีผู้ใดกล้าเตือนเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสพวกผมก็เลยเลิกนับถือพระเลิกทาบุญกันมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่องที่คุณเล่ามา ผมจะไม่เชื่อเลยถ้าไม่ประสบกับตัวผมเองบังเอิญผมรู้จักกับท่านแล้วก็โดนแบบเดียวกับที่คุณโดนผมก็เลยเข็ดแต่ทำไมถึงมาวัดนี้ได้ก็ไม่รู้บุรุษที่มาจากระยองพูดแต่วัดนี้คงไม่ทําให้พวกเราต้องผิดหวังนะผมรู้สึกศรัทธาหลวงพ่อท่านจริงๆสงสัยว่าท่านจะเป็นผู้วิเศษถึงได้รู้อะไรๆเกี่ยวกับพวกเราผมอยากมาทาบุญกับท่าน คงเป็นบุญของผมนะไม่งั้นคงไม่ดันโดนมาถึงที่นี่เพราะวัดที่ภูเก็ตก็มีตั้งหลายวัดการสนทนาชะงักลงชั่วครู่เพราะรสชาติของอาหารไม่เปิดโอกาสให้คุยกันอิ่มนำสําราญกันแล้วนายสมชายจึงพาบุคคลทั้งสี่กลับมาที่กุฏิท่านพระครูพระอีกสองรูปนั่งอยู่ที่นั้นด้วยคนทั้งสี่นั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูจึงกล่าวขึ้นว่าพระวัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นหรอกโยมใครมานี่หมดถ้าว่างก็ไปทั้งนั้นไม่ต้องเอารถเบนซ์มารับด้วยเดินไปก็ยังเคยคนทั้งสี่มองหน้ากันเลิกลักสงสัยเสียจริงว่าท่านรู้เรื่องที่พวกเขาคุยกันได้อย่างไรแต่พระในประเทศไทย ไม่ได้เป็นอย่างท่านเจ้าคุณหมดหรอกนะที่ดีๆก็ยังมีอีกมากอย่าเพิ่งเข้าใจผิดท่านพูดต่อเมื่อเห็นคนเหล่านั้นทำหน้าสงสัยไปบอกคนขับรถให้ไปกินข้าวก่อนท่านหันไปสั่งนายสมชายหลวงพ่อทรยบได้อย่างไรครับคนที่มาจากระยองถาม โยมจะได้พากันสงสัยไปเลยหลวงพ่อท่านสามารถรู้ทุกอย่างถ้าท่านอยากจะรู้พระมหาบุญบอกกล่าวพระโบเฮียวจึงเสริมอีกว่าหลวงพ่อท่านใดเห็นหนอไหนโยมบุคคลทั้งสี่พอจะเข้าใจที่พระมหาบุญพูดแต่ไม่มีใครเข้าใจคำพูดของพระโบเฮียวไม่มีเลยสักคนเอาล่ะ อิมมีพี่มันกันดีแล้วไหนลองบอกมาสิว่านึกยังไงถึงพากันมาที่นี่ได้ไม่ได้นัดกันไม่ใช่หรือไม่ได้นัดครับพวกผมเพิ่อมารู้จักกันที่นี่ผมก็ไม่ทราบว่าคนอื่นๆเข้ามาที่นี่เพราะอะไรสำหรับผมผมฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งบอกให้มาช่วยสร้างหองประชุมที่วัดป่ามะม่วงจะมีอนิสง์มาก และจะมีเพื่อนเก่ามาช่วยสร้างอีกสามคนคนมาจากระยองอยังพูดไม่ทันจบคนมาจากการจน บ, บุรีก็พูดขึ้นว่าผู้หญิงอายุประมาณ2ี่สบผิวคล้ำหน้าคมผมยาวสวมผ้าสิน ส, สีน้ำเงินซสื้อแขนกระบอกสีขาวใช่ไหมคนมาจากเชียงใหม่ต่อให้และคนที่มาจากภูเก็ตก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าเธอบอกว่าชื่อการหลงใช่ไหมเป็นอันว่า คนทั้งสี่ฝันแบบเดียวกันท่านพระครูรู้สึกประหลาดใจที่แม่กาหลงมีศรัทธามากมายถึงปานนั้นเห็นหนอบอกเพียงว่าจะมีคนมาแต่ไม่ได้บอกเรื่องแม่กาหลงวัดนี้มีผู้หญิงชื่อกาหลงด้วยหรือครับคนที่มาจากภูเก็ตถามท่านพระครูเห็นว่าหากให้คนทั้งสี่รู้เรื่องแม่กาหลงเขาก็จะไม่ยอมมาวัด อีกจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามีแต่เขาไม่ชอบพบปะกับใครอย่าไปรบกวนเขาเลยว่าแต่ว่าคุยกันมาตั้งนานอาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวกันสักหน่อยไม่ดีหรือท่านเจ้าของกุฏิพยายามเบนออกจากเรื่องแม่กาหลง พระบยญเฮียวเองก็ยังไม่รู้ว่าแม่กาหลงเป็นใครผมชื่อบุญชัยครับใครๆเขาเรียกผมว่าพ่อลิ้ยงชัยคนมาจากเชียงใหม่แนะนำตัวเองผมศักชัยคนเมืองการเ้าเรียกผมว่าเสียชัยคนระยองเ้าเรียกผมว่าเท่าแก่ชัยชื่อเต็มวิชัยครับส่วนผมเ้าเรียกเฮียชัยกันทั้งจังหวัด คนมาจากภูเก็ตแนะนำตัวเป็นคนสุดท้ายแล้วชื่อเต็มว่าอะไรพระมหาบุญถามถ้าอย่างนั้นอาตมารู้แล้วว่าจะตั้งชื่อหอประชุมว่าอะไรดีรับรองว่าโยมจะต้องเห็นด้วยท่านพระครูพูดขึ้นชื่ออะไรครับเสียชัยถาม ขอประชุมจตุระชัยแปลว่าชัยทั้งสี่หรือสี่ชัยเป็นยังไงโกดีไหมคนตั้งชื่อถามความเห็นไม่มีผู้ใดให้คำตอบแล้วพ่อเลี้ยงชัยจึงถามท่านพระครูบ้างว่าผูกผมยังไม่ทราบเลยครับว่าหลวงพ่อชื่ออะไรแม่กาหลงเขาไม่ได้บอกหรอกหรือ ไม่ได้บอกครับบอกแต่ชื่อวัดและที่ตั้งเสียชัยเป็นคนตอบหลวงพ่อชื่อเจริญท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพระมหาบุญเป็นผู้บอกถ้าอย่างนั้นผมขอเสนอว่าหอประชุมควรจะชื่อเจริญชัยคือเอาชื่อหลวงพ่อ น, นาตามด้วยชื่อพวกผมเฮียชัยออกความเห็นซึ่งสมาธิกทั้งสามรวมพระอีกสอง ต่างก็เห็นด้วยชื่อที่ท่านพระครูเสนอจึงต้องตกไปตามมาติของที่ประชุมเป็นอันว่าเราได้ชื่อแล้วทีนี้เรื่องแบบและครับหลวงพ่อจะออกแบบเองหรือว่าจะให้พวกผมจัดการเสียชัยถามอาตมาจะออกเองไหนไหนเรื่องชื่อก็ตกไปแล้วขอแก้ตัวเรื่องแบบอีกสักครั้ง แล้วอาตมาจะให้โยมสี่คนดูถ้าไม่ชอบใจก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อาตมาชอบประชาธิปไตยไม่ชอบเผด็จการฟังคำพูดของท่านแล้วคนทั้งสี่รู้สึกสบายใจและมีศรัทธาประสาธมมากขึ้นเรื่องแบบผมจะไม่คัดค้านขอให้เป็นไปตามความพอใจของหลวงพอ่อ ผมได้เสนอชื่อและเป็นที่ยอมรับผมก็ดีใจแล้วเฮียชัยกล่าวและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนอีกสามคนส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายพวกผมสี่คนจะรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์พ่อเลี้ยงชัยสรุปเรื่องนี้อาตมาขอเสนอให้มีการทอดกระถินจะได้ให้คนอื่นๆ เขามีโอกาสร่วมทาบุญด้วยโบราณท่านสอนไว้ว่าทาบุญอย่าหวงบุญต้องกระจายกันออกไปมากๆอย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลคนละสลึงสองสลึงก็ยังดีเกิดธาตุหน้า จะได้มีบริวารท่านพระครูแนะนำแต่นี่ก็หมดเทศกาลกะถินแล้วนี่ครับหลวงพ่อพระบูเหียวทวงปีนี้หมดก็ทอดปีหน้าได้ถึงอย่างไรก็สร้างไม่เสร็จในปีเดียวหรอกหรือโยมว่ายังไงท่านถามเท่าแก่ชัยครับแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับ ส่วนผมคงไม่มีเวลามาที่นี่บ่อยนักก็จะขอฝากเงินไว้ก่อนขาดเหลืออะไรลุงพ่อจงมีหนังสือไปตามที่อยู่ในานามบัตรนี่นะครับพูดแล้วจึงเขียนเช็คเงินสดจำนวนสามแสนบาทพร้อมนามบัตรถวายท่านพระครูคนอื่นๆก็ทำตามเพราะเห็นชอบด้วยท่านพระครูรับไว้แล้วพูดสรพยอกว่า เงินตั้งมากมายนี่ถ้าเกิดอาตมาเบิกเงินแล้วหนีไปแต่งงานโยมจะว่ายังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อเธอครับเสียชัยตอบหากใจเกิดกลัขึ้นมาจริงๆบุุษอีกสามคนพลันเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันท่านพระครูรู้จึงเสนอว่าอาตมาว่า เราเปิดบัญชีร่วมกันทั้งห้าคนไม่ดีหรือจะได้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเสียชัยจึงตอบว่าทำอย่างนั้นมันก็ดีหรอกครับแต่มันจะยุ่งยากตอนเบิกจ่ายเอาเป็นว่าพวกผมไว้ใจหลวงพ่อก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอาตมาจะตั้งกรรมการวัดขึ้นชุดหนึ่ง สำหรับดำเนินการเรื่องนี้เรื่องการเบิกจ่ายก็จะให้กรรมการทุกคนรับรู้อาตมาเป็นคนละเอียดจะทำอะไรก็ต้องให้รอบคอบรัดกุมโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งทำให้คนเสียคนพระเสียพระมนักต่อ น, นักแล้วมีวัดหนึ่ง อย่าให้อตมาเอ่ยชื่อเลยโยมเขาทอดกระถินเพื่อจะเอาเงินสร้างโบสถ์ปรากฏว่าสมภารเชิดเงินหนีไปแต่งงานอยู่กรุงเทพแบบนี้ตกนรกไหมครับพระบุญเฮียวถามไม่น่าถามก็เท่ากับช่อโกงเงินเขาเจต น, นาจะให้มาสร้างกุศล ไม่ได้ให้สมารมาแต่งเมียบุคคลทั้งสี่ฟังแล้วรู้สึกใจไม่ดีท่านพระครูกำหนดเห็นหนอรู้ว่าพวกเขายังคลางแคลงใจจึงพูดตัดบทว่าเอาอย่างนี้ดีไหมกว่าอาตมาจะออกแบบเสร็จก็คงอีกหลายเดือนเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างออกแบบแล้ว ยังจะต้องหาผู้รับเหมาให้มาประกวดราคามันหลายขั้นตอนก็คงจะกินเวลาอีกหลายเดือนโยมเอาเงินคืนไปก่อนดีกว่าได้เรื่องอย่างไรแล้วอาตมาจะมีหนังสือแจ้งไปอาตมาไม่อยากถือเงินมากๆนึกว่าเห็นใจอาตมาเถอะ เป็นอันว่าคนทั้งสี่ยอมรับเช็คคืนไปแต่ก็ได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะช่วยสร้างหอประชุมเมื่อ <IS <Special ist in speech> พวกเขากลับลาท่านพระครูให้ศีลให้พรว่า <IS> ขอให้โยมทุกคนจงมีความสุข ความเจริญและขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สำคัญคือขอให้หาเลี้ยงชีพในทางสุจริตการหากินในทางทุจริตนั้นแม้จะรวยเร็วแต่ก็วิบัติเร็วเช่นกันจำไว้นโยมนะลุง่อคืนเข้าไปทำไมครับหน่าเสดายเงินต่างเป็นล้าน พระโบเฮียวพูดขึ้นเมื่อคนทั้งสี่ลุกออกไปแล้วกดชั้นสำรวจดูแล้วเห็นว่าเขายังไม่เชื่อใจก็เลยต้องทำให้เขาเชื่อเธอไม่ต้องห่วงหรอกพวกเขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกครับถ้าอย่างนั้นผมก็หมดห่วงเอหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อพูดกับทันเจ้าคุณนั้น ท่านอยู่วัดไหนชื่ออะไรแล้วท่านเป็นอย่างไรหรือครับเธอจะรู้ไปทำไมละ่ะถึงบอกไปเธอก็คงไม่รู้จักถึงไม่รู้จักผมก็ว่ามันมีประโยชน์นะครับคือว่าถ้าท่านทำดีผมจะได้เอาเป็นตัวอย่างถ้าไม่ดีผมก็จะได้ไม่ทำตามเหตุผลของเธอฟังเข้าท่าดี แต่ฉันจะไม่บอกเธอหรอกท่านจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านเอาไว้เห็นเป็นนาทีของกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับพระหนุ่มล้อเรียนมาอยู่วัดนี้ได้ยินแต่คำว่ากฎแห่งกรรมจนชินหูทำเป็นพูดเล่นไปเถอะแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ คอยดูไปก็แล้วกันอีกหน่อยพระที่ทำผิดวินัยประพฤตินอกลู่นอกทางจะต้องเดือดร้อนจะถูกจับศึกบ้างติดคุกบ้างฆ่าตัวตายบ้างแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่ากฎแห่งกรรมแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับก็ต้องเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละครับ พระยวนเริ่มยวนหากท่านพระครูไม่ใส่ใจคงพูดต่อไปว่าอันที่จริงฉันก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มันไม่สบายใจเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ฉันก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นและจะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้ประพฤติชั่วถ้าหอประชุมเสร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากฉันตั้งใจว่าจะเลิกสร้างวัตถุจะสร้างคนแทนเพราะถ้าเราทำให้คนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสั ม, มาทิฏฐิได้นับว่าได้บุญกว่าการสร้างวัตถุหลายเท่านักต่อไปข้างหน้าถ้าเธอไปเป็นครูบาอาจารย์ใคร ฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมจะดำเนินรอยตามลุงพ่อทุกประการสิทธิ์รับสนองเจตนารมณ์ของอาจารย์ลุงพ่อครับเมื่อวานลุงพอ่ออนุญาตผมไว้ให้เรียนถามข้อของใจได้พระโบเฮียวทวงสัญญาพระมหาบุญซึ่งเป็นฝ่ายฟังมานานจึงพูดขึ้นว่า ถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องขอตัวเพราะผมไม่มีข้อสงสัยอะไรจะกลับไปปฏิบัติที่กุฏิพูดจบจึงกราบท่านเจ้าอาวาสสามครั้งแล้วลุกออกไป